<c oughs> ขอความรอบน้อมจงมีแด่คุณพระรัตนตรยัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรท่านสาธุชน ผู้รักในการบุญการกุศลทุกท่านทุกคนแล้วก็ขอเจริญพรเป็นพิเศษแด่ท่านอาจารย์ดรสาธิตพุทธชัยยงซึ่งท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพท่านอาจารย์สาธิตก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะเจ้าของสถานที่ที่เราได้มาใช้ฟรีทุกประการที่นี่นั่นเอง เราสาธุให้ท่านหน่อยดีไหมดังนั้นก็ขอเจริญพรคุณพ่อสนองวระอุไรตลอดจนถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนแขกผู้มีเกียรติที่ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เราได้มีงานบวญงานกุศลที่เมื่อขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วทอดตามองลงไปนั้นชื่นอกชื่นใจเหลือเกิน เพราะว่านี่คืองานธรรมะแต่คนมานั่งฟังเหมือนมาดูคอนเสิร์ตจะไม่ชื่นใจได้อย่างไรบรรยากาศที่งดงามลำเลื้ประเสริฐสีเช่นนี้มีขึ้นได้ก็เพราะว่าเรามีหัวเรือใหญ่อย่างทันแตแพทย์หญิงอัญชารากรินสุวรรณทุกท่านทุกคนคงลืมคุณหมอไม่ได้เราสาธุให้คุณหมอดีกว่าเนาะ ที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นก็คือคณะผู้ปิดทองหลังพระซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังให้พวกเราได้นั่งสบายได้กินสบายได้ดื่มสบายได้ฟังสบายแล้วก็ได้บุญแบบสบายๆกลับบ้านไปย่มตุงนของที่เลึกเพียบนะ <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามรบทัพจับศึกถึงกับมีตำราพิชัยสงครามฉบับต่างๆออกมาฉบับที่ขึ้นชื่อลือชาที่สุดก็คือกลอุบายของซุนวูอย่าไปชื่นใจกับซุนวูนะเพราะกลอุบายนี้ใช้เพื่อสังหารผลาญชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะเราเรียกกลอุบายหรือ ถ้ามาส่วนที่กันนะกนบ อ, กอุบายก็จะกลายเป็นกะโลบายใช้ในภาษาทางการตลาดให้ฟังดูดีว่าตำราพิชัยสงครามฟังแล้วดูดีไหมน่าชื่นใจนะพิชัยสงครามแต่ถ้าใครถูกตำรานี้เล่นงานนะชีวิตยุ่งทันทีนะอาจจะถึงคาดเอาง่ายๆ ฉะนั้นคำเดิมที่ชาวโลกเขานิยมใช้ก็คือคำว่ากลโลบายซึ่งแปลกันว่าอุบายที่เกิดจากเล่กลหรืออุบายที่เกิดจากความหลอกลวงโกหกปลิ oh ok, Pl in, Pl ้นปล้อนพูดอย่างหนึ่งทาอย่างหนึ่งแสดงออกอย่างหนึ่งเพื่อเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งกลโลบายจึงเป็นคำที่ถูกใช้ในความหมายที่ไม่ดี ทีนี้ในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านไม่นรยมใช้คํานี้ท่านใช้คําหนึ่งในการสอนคนนั่นก็คือคําว่ากุศโลบายมาจากคําว่ากุศลส่นที่กับคําว่าอุบายกลายเป็นกุศโลบายกุศโลบายแปลว่าอุบายที่เป็นกุศลวิธีการที่เกิดจากปัญญามีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ ให้บรรลุถึงความตื่นรู้เบิกบานดังนั้นเวลาที่เราจะใช้เราต้องถามตัวเองนะเราจะใช้วิธีการอะไรสักอย่างหนึ่งกับเพื่อนมนุษย์ของเราเราต้องมั่นใจว่ามันเป็นกุศโลบายหรือเป็นอุบายกันแน่อาตมภาพมีตัวอย่าง ให้เราทั้งหลายมาใช้สมองร่วมกันนะลองทายดูไหมว่าเรื่องที่เล่าต่อไปนี้ตกลงเป็นกโลบายหรือเป็นกุศโลบายสามีหนุ่มภรรยาสาวคู่หนึ่งแต่งงานกันมาหลายปีแล้วทุกๆปีพอถึงวันครบรอบแต่งงานสามีก็จะมอบของขวัญให้กับภรรยาสาว อยู่กันมาได้เกินสิบปีอยู่มาปีหนึ่งถึงวันใกล้ถึงวันครบรอบแต่งงานภรรยาสาวเนี่ยอยากได้แหวนเพชรแต่จะขอยังไงละ่ะให้มันได้ทีนี้ไม่เพียงแต่ภรรยาสาวของบ้านหลังนี้เท่านั้นนะบ้านใกล้ๆก ก, กันน่ะวันรุ่งขึ้นก็จะครบรอบวันแต่งงานอีกเหมือนกัน บังเอิญเหลือเกินที่ภรรยาสาวของทั้งสองบ้านต้องการแหวนเพชรจากสามีทั้งคู่เลยก่อนถึงวันครบรอบแต่งงานภรรยาสาวของบ้านหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงซื่ อ, อคิดอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้นก็เลยขอแหวนเพชรกับสามีพี่พรุ่งนี้วันอะไรพี่จาได้ไหมสามีบอก มันพูดมั้งแววมันจะไม่ได้นะภรรยาฉุดเลยพอสามีตอบอย่างเนี้ยนะไม่รู้จะไปยังไงต่อภรรยาก็เลยเฉลยว่าพี่พรุ่งนี้คือวันครบรอบแต่งงานเรานะพี่จําได้ไหมสามีบอกอ๋อจำได้ละจริงๆก็ไม่อยากจําเพราะถึงวันนี้เมื่อไรเสียตังค์ภรรยาก็เลยบอกว่าพี่ เนี่ยฉันนะเป็นงานเพื่อนมาแล้ววันนี้นะเพื่อนแต่ละคนนะใส่เพชรพราวไปทั้งตัวเลยอะ่ะฉันไปแป๊บ เ, เดียวก็ต้องรีบกลับพี่พี่จะยอมให้เมียพี่เนะี่ยต่ำต้อยด้อยค่าอย่างนี้ในสายตาคนอื่นไปอีกนานเท่าไหร่พี่ยอมได้แต่น้องไม่ยอมนะ เอางี้แล้วกันพี่ครบรอบแต่งงานของเราพรุ่งเนี้ยไม่รู้ละ่ะจะดีจะชั่วน้องต้องได้แหวนเพชรหนึ่งวงฟังแล้วจะได้ไหมพอถึงวันรุ่งขึ้นภรรยาก็โทรศัพท์ไปหาสามีพี่เจอกันที่เดิมนะห้าโมงเย็น อาหารอิตาเลียนนะพี่นะสี่มงครึ่งสามีคิดแล้วจะอ้างอะไรดีวะถ้าไปนี่ต้องเสียแหวนเพชรแน่ๆ น, นะวงหนึ่งหลักแสนนะเพราะสี่มงครึ่งนี่ภรรยาก็โทรมาบอกสามีเลยเออที่รักคุณก็รู้ใช่ไหมผมรักคุณแค่ไหนแต่ว่าวันนี้ผมติดประชุมนะและเสร็จกี่โมงก็อาจจะ เที่ยงคืนนะคะพันยาขับรถมาได้ครึ่งทางนะแตะเบรกเลย ก, กลับไก่เห็นตีนงูงูเห็นต้งไก่มันจะประชุมอะไรกันนะักขนาดหกโมงเยนหนึ่นงเที่ยงคืนนะ่ะตกลงครอบครัวนี้ภรรยาไม่ได้แหวนเพชรอ่ะตัดฉับมาอีกครอบครัวหนึ่ง อันนี้เป็นลูกศิษย์ใครก็ไม่รู้ล่ะแต่เขามีกุสโลบายกุสโลบายหรือการโลบายฟังให้ดีนะพอจะครอบรอบวันแต่งงานวันรุ่งขึ้นเธอก็มาเลยพี่พี่ก็รู้ใช่ไหมวันพรุ่งนี้วันครบรอบแต่งงานของเราเห็นไหมไม่ต้องถามเพราะถ้าถามเกิดสามีจําไม่ได้มันยุ่วเธอจะเลยเองพี่พรุ่งนี้พี่ก็รู้ใช่ไหมวันครอบรอบแต่งงานของเรา ทำไมจะจำไม่ได้ล่ะที่รักเออพี่คะปีที่แล้วเนี่ยพี่ซื้อไอ h ฟนโฟให้น้องเครื่องหนึ่งพี่นี้นะน้องขออะไรเล็กๆแค่คริสปิครีมเท่านั้นแหละอุย้ยสามีดีใจนะมันไม่ขอของใหญ่ <laughs> อุย้ยอุ้ยชื่นใจดีใจสักพักหนึ่งภรรยาบอกพี่พี่นี้นะน้องอะ่ะ ขอแค่โดนัทคริสปิครีมพูดอย่างนี้พระอาจารย์ไม่ได้โฆษณานะน้องอขอแค่เนี้ยแล้วปีหน้าพี่ก็ไม่ต้องให้อะไรน้องด้วย <c oughs> โอ้โหสามีรู้สึกถื่นหวยไหม <c oughs> พีนี้ขอแค่ขนมโดนัทปีหน้าไม่ขอสามีดีใจเงินตุงกระเป๋ากําลังจะชื่นใจภรรยาบอกอีกพี่พี่นี้น้องไม่ขออะไร ปี่หน้าน้องก็ไม่ขออะไรปีนู้นน้องก็ไม่ขอนะพี่นะโอ้โหสามีนี่ลอยติดเพดานเลยนะเลือกคนไม่ผิดจริงๆไม่ไรบกวนกันในกระเป๋าเลยนะสักพักหนึ่งกําลังชื่นใจตาฉ่ามองภรรยานะเอามือลูบหัวป้อยไปป้อยโอ้ยทําไมเธอดีเหลือเกินไม่ขออะไรเลยหรือเอาส่งอย่างก็ได้ไหมที่รักนะ <c oughs> <c oughs> เปิดคางแล้วทีเนี้ย เปิดค้างปุ๊บมันเยยัสวยหมันนกเลยนะพี่ที่น้องไม่ขออะไรพี่พีนี้นะพี่นะคืออย่างนี้น้องมีความฝันน้องอยากได้แหวนเพชรสักวงหนึ่งไม่ต้องแพงนะพี่นะแต่น้องรู้ดีค่ะว่าเงินเดือนอย่างพี่อย่างน้องบวกกันจ้างให้ก็ไม่ได้แหวนเพชรหรอกน้องก็เลยคิดว่าพี่เก็บเงินที่จะมาซื้อของขวัญให้น้องปีนี้ไว้ได้ไหม หนึ่งปีคือปีนี้แล้วปีหน้าพี่ก็ยังไม่ต้องซื้อพี่เก็บไว้อีกปีหนึ่งนะแล้วปีนั้นพี่ก็ไม่ต้องซื้อพี่คะพอครบสามปีอ่ะพี่มันก็น่าจะได้แหวนเพชรสักวงหนึ่งพูดจะทำหน้าต่ําป้อยสุดชีวิตแล้วก็บีบน้ําตาเดินเข้าไปห้องครัวทําอาหารที่อร่อยอร่อยให้สามีกินสามีคิดหนักเลยนี่ฉัน ฉันพาเธอมาตกระกรรมลาบากถึงเพียงนี้เชียวหรือวันรุ่งขึ้นสามีเข้าออฟฟิศสั่งงานสั่งการลูกน้องเสร็จแล้วขับรถไปที่ร้านเพชรเลือกอยู่ครึ่งวันภรรยาไปทำงานเสร็จแล้วก็ซื้อซื้อโน่นซื้อนี่มาเตรียมเลี้ยงฉลองที่บ้านสามีกลับก่อน พอมาถึงปั๊บจวนค่ามนะปิดไฟทั้งบ้านเลยปกักปักเทียนปักเทียนเอาเค้กมาวางเปิดเพลงโรแมนติกสุดๆนะเอาแหวนเพชที่ไปเลือกมาครึ่งวันนะใส่ลงไปในขนมเค้กเยน็ยนเยน็นค่ำค่ย่ำมืดพันรายาทำท่าทำงานเหนื่อยแล้วเกินตุรัตตุเรเข้าบ้านมาไฟมืด จริงๆเธอเธอมองเห็นทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า <laughs> <c oughs> ใครกรุญแจเข้าบ้านไปเอ๊ะทำไมมืดไปหมดเลยอะ่ะ <c oughs> เปิดไฟแชะเอ้าพี่อยู่เรี๋ยเนี้ <c oughs> น้องนึกว่าพี่ยังไม่กลับซะอีกแล้วทำไมพี่ปิดไฟอะ่ะก็ไม่รู้สิ ก็พี่อยากปิดเพื่อใครสุกคนพอภรรยาเดินผ่านไปปุ๊บเข้าห้องน้ำาลากหน้าหลังตาสามีปิดไฟฉับติลละเอาเค้กจากตู้เย็นออกมาว <Wow. S 2> างภรรยาเดินออกมาเปิดไฟปึ๊บที่รักพี่มันเรี่ยน้อยห่อยน้อยทำได้อย่างดีก็แค้ให้เค้กเธอก้อนหนึ่งอะ เดี๋ยวพี่บรรจงตัดให้ดีมั้ยนะตัดชับแล้วก็ป้อนให้ภรรยาอาปากงับเข้าไปจุ๊บปันหน้าสองซี่กระทบกับแหวนเพชรกก๊กเลย <c oughs> เอาเมือหยิบออกมาอะไรกับพี่นี่อะไรกัคุณพี่เนี่ยพี่ทำไปจำไมอ่ะแต่ในวงเล็บนะกูว่าแล้ว ก็โผ่ก็กอนสามีสุดที่รักน้ําหูน้ําตาไหลพรักพรัก พ, กพี่ก็น้องบอกว่าให้สามปีเก็บเงินไงแล้วเนี่ยดูสิในพี่ทําไปทําไมของมันแพงใช่ไหมโอ้โหตอนที่เหมันก่อด น, น้ำมาเอาแหวนเพชรมาดูเสร็จแล้วประคองสามีมานั่งที่โต๊ะน้ำตาเค้กพ่อให้สามีน้ําหูน้ําตาไหลพรักพรั ก, รกเป็นหนักยิ่งกว่าวันนี้ได้ ในที่สุดคุณเธอก็สมหวังไปเห็นไหมคุณยมคิดว่าผู้หญิงคนนี้กําลังใช้สิ่งที่เรียกว่ากุสโลบายหรือกาโลบายหนใครคิดว่าเธอกําลังใช้กุสโลบายยกมือสิสแสดงว่ายัางสับสนเล่นๆ <laughs> อ่าใครคิดว่าผู้หญิงคนนี้กําลังใช้กาโลบายกําลังใช้กาโลบายเอาละ วัดได้ละคำตอบที่ถูกต้องก็คือผู้หญิงคนนี้กำลังใช้สิ่งที่เรียกกันว่าจริงๆอาตมาคิดหนักเหมือนคุณยมด้านหน้าเลยนะ <laughs> <laughs> จะบอกว่ามันเป็นกลอุบายมันก็ด้วยท่าทีที่นุ่มนวลไม่เร็วนะแต่ครั้งจะบอกว่าเป็นกุศโลบายก็หลอกสามีเขาเต็มเป่าเอ๊ะ หือว่าเธอไม่ผิดแต่เป็นเพราะสามีมันโง่เอาเป็นว่าเรื่องนี้พระอาจารย์จะไม่เฉลยรักษาน้ําใจทุกฝ่ายดีกว่าเนาะแต่อาจารย์สนองรู้แน่ว่าเป็นอะไรเห็นยิ้มเลยแต่ต้นเลยยิ้มเลยแต่ต้นเรื่องเลยนะ กุศโลบายเนี่ยนิยามที่ชัดๆก็คือว่าวิธีการที่เป็นกุศลหรือวิธีการที่เกิดจากสติปัญญาโดยมีจุดมุ่งหมายอันชัดเจนอยู่ที่การช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ส่วนกะโลบายนั้นก็คือวิธีการที่เจ้าเล่แสนกลเกิดจากความร้อยเล่พันเหลี่ยมโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การ เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์หรือทำร้ายเพื่อนมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นพระพุทธองค์ทรงเลือกใช้กุศโลบายคือวิธีการที่เป็นกุศลในการโปรดเวนในย์ทุกครั้งไปคำถามก็คือว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงใช้กุศโลบายในการโปรดเวนในยศ จะใช้วิธีการง่ายๆทื่อๆจริงใจตรงไปตรงมาไม่ได้หรือคำตอบก็คือไม่ได้ทำไมจึงไม่ได้ก็เพราะมนุษย์นั้นสายยากแท้อย่างถึงเนื่องจากมนุษย์นั้นมีความแตกต่างทางสติปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเรานั้นเปรียบมนุษย์ในโลกนี้ดังบัวสี่เหล่า มนุษย์เหล่าที่หนึ่งเป็นบัวพ้นน้ำเปรียบกับบุคคลประเภทอัจฉริยะเช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์โทมัสอวาเอดีสันอิแซคนิวตันแมรีคูรีบุคคลเหล่านี้บางทีเนี่ยยังไม่ได้พบพระพุทธองค์นะนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ที่ ต้ต้นไม้ใบไม้ปลิดจากขั่วหล่นคว้างลงมาอัจฉริยะบุคคลคือบุคคลกลุ่มประเภทบัวพ้นน้ำสามารถไตรตรองด้วยสติปัญญาหรือโยนิสโสมนานัสิการก็รู้แล้วว่าชีวิตก็เป็นอ น, นิจจังเฉกใบไม้บรรลุธรรมไม่จำเป็นต้องพบพระพุทธเจ้าก็บรรลุได้บุคคลประเภทที่สองเปรียบเสมือน บัวปริ่มน้ำเพราะพระพุทธองค์แล้วได้ฟังคำสอนนำไปประพฤติปฏิบัติสักพักเดียวก็บรรลุธรรมกลายเป็นพระอริยะบุคคลเปรียบเสมือนนักเรียนประเภทเกียรตินิยมทั้งหลายประเภทสขึ้นไป 3.5,3.1,3.2 สจจจนทะลุ 4.00 บุคคลกลุ่มนี้มีอัจฉริยภาพพอสมควรได้ฟังเทศได้ฟังธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติก็ต่อยอดเองเป็นแล้วบัรลุธรรมบุคคลประเภทที่สามเปรียบเสมือนบัวที่อยู่ในน้ำก็เทียบได้กับคนทั่ ว, วไปหรือนักเรียนทั่วๆไปกลุ่มบุคคลขาบเส้น เดนหนึ่งจุดศูนย์ูนี่ครูปัดให้ให้มันพ้นนไปอ่ะเทอมหน้าอย่ามาเจอฉันหรือมันก็สองกว่าประมาณเนี้ยนี่คือบุคคลกลุ่มใหญ่ของมนุษย์ในโลกนี้ที่เมื่อได้ฟังเทศได้ฟังธรรมได้พบพระพุทธองค์แล้วฟังครั้งแรกยังมึนมึนบางคนไม่มึนนะฟังเสร็จง่วง แต่ว่าอยากฟังซ้ำพวกอยากฟังซ้ำนี่ต้องต้องให้มีการรัตตบังหารนะแล้วจะได้ยินคำว่าโปรดฟังอีกครั้งมันชอบฟังซ้ำต้องให้ฟังซ้ำๆปฏิบัติซ้ำๆครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ในที่สุดวันหนึ่งเขาก็จะถึงฝั่งแห่งธรรมะได้เช่นเดียวกัน บคคประเภทที่สี่ก็เปรียบเสมือนบัวในตมบัวในตมอาจจะโผล่ขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่มากไปกว่านั้นในที่สุดก็จะเป็นอาหารของปลาของเต่าของสัตว์น้ำไปหมดโอกาสที่จะพลีบาลด้วยประการทั้งปวงเปรียบเสมือนคนซึ่งเกิดมาแล้วอาจจะมีปัญหาทางสมองทางจิตใจ ไม่สมประกอบวิกุริตกระอีประเภทหนึง่งอันนี้ร่างกายครบสาสิบสองประการสติปัญญาเลอเลอิศดอัจฉระยะแต่ทว่าฉลาดเกินไปฟังใครไม่เป็นไม่ศรัทธาใครเลยทั้งโลกนี้ศาสนาฉันก็ไม่นับถือคิดเองได้เชื่อเองได้ ทำอะไรเองได้ไม่ยอมลงให้กับใครใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้ภาษาบาลีท่านใช้คำว่าอติบันเด็ตพวกฉลาดเกินไปโยอมอาจจะสงสัยว่าเออคิดว่าคนฉลาดนี่จะบรรลุ ง, ง่ายนะบางทีฉลาดเกินไปนี่บรรลุยากบรรลุเย็นนะโยมเนะฟังใครไม่ได้จมไม่ลงไปที่ไหนทำตัวยังกระปูเลยนะชูก้ามสองข้าง ถนนสามวาสีวามาไม่ได้เพราะอัตตามันใหญ่มากเลยกลุ่มบุคคลที่ฉลาดเกินไปนี้พระพุทธองค์ยังทรงทิ้งได้เหมือนกันก็นับเป็นบุคคลประเภทบัวในตมด้วยเหตุที่มนุษย์นั้นมีความแตกต่างหลากหลายเฉกเช่นบัวสีเหล่านั่นเป็นเหตุให้พระพุทธองค์ทร ง, งแสดงธรรมแต่ละครั้งจะต้องทรงวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์แล้วก็เลือกคันกันกรองดูว่า คนที่พระองค์จุดไปทรงพบนั้นเป็นบุคคลสังกัดบัวเหล่าไหนพอพระองค์ทรงวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วทรงรู้ว่าเป็นบุคคลสังกัดบัวเหล่าไหนจากนั้นพระองค์ก็จะดูว่าเครื่องมือใดที่จะใช้ในการสอนจึงจะเหมาะจยางวันนี้ธรรมาภาพมาที่นี่เนี่ยตอนที่อยู่กุฏิเนี่ยธรรมาก็วิเคราะมกันนะ <laughs> <laughs> นั่งวิเคราะห์วันนี้กลุ่มกัลยาณธรรม เป็นกลุ่มฟังธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่มันฟังกันมาหลายปีดีดักเนี่ยปีแรกๆก็บวบนในน้ำ <c oughs> ปีสองปีสามมันเลื่อนมาโดยลําดับปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องถามคุณหมอจุ่มแล้วปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจนเป็นบัวพ้นน้ําแล้วหรือ ย, อยังถ้าเป็นบัวพ้นน้ำในพระอาจารย์พูดแป๊บเดียวลงได้เลยนะ <c oughs> ผลของการวิเคราะห์วันนี้แต่มาภาพก็รู้แล้วล่ะว่าจะใช้กุศโลบายเช่นใดทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้กุศโลบายเช่นใดกับคนเช่นไรเราต้องมาดูก่อนว่ากระบวนการทํางานของพระพุทธองค์นั้นเป็นอย่างไรทุกๆครั้งที่พระพุทธองค์จะทรงโปรดเวไ น, นยสัตว์ซึ่งแปลว่าสัตว์ที่คู่ควรกับการโปรดหรือสัสตว์ที่มีศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้เนี่ยพระองค์ทรงทํำยังไง กิจวัตรในพระพุทธองค์ของเรานั้นมีอยู่ห้าประการนั่นก็คือตอนเช้าเฝ้าบิณฑบาตเย็นไม่ขาดแสดงธรรมสอนพระเวลาคำ่ำกลางคืนพร่ำต่อปัญหารุ่งสางพินิษ์สัตนานานีคือเบญจกิจจาองพระาศาสดาทรงกระทำพระพุทธองค์ทรงมีกิจวัตรหประการนี้ในแต่ละวันในแต่ละวัน โดยเริ่มต้นประมาณตีสี่อันนี้เป็นเวลาโดยประมาณนะคุณทยกนะพระองค์ทรงตื่นบรรทมจากนั้นทรงสงสนารทรงสงสนารนเสร็จแล้วกลับเข้าพระที่ประทับบนพุทธอาฏหลับพระเนตรนอกลืมพระเนตรในแผ่ขายคือพระาญาณของพระองค์นั้นไปทั่วทั้งสากลจักรวาล เพื่อสำรวจตรวจดูว่าวันนี้ใครอยู่ในกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่พระองค์จะทรงโปรด น, นั้นเราเรียกกันว่าเวนนายสัตว์แปลว่าสัตว์ที่ควรได้รับการแนะนำให้บรรลุมรรคผลในแต่ละวันในแต่ละวันเนี่ยพระพุทธองค์จะทรงพบเวนัายสัตว์จำนวนมากถ้ามีเวณนายสัตว์จำนวนมากมารอรับธรรมบาริการจากพระองค์ พระองค์ก็จะเลือกเอาบุคคลที่อาการโคม่าที่สุดเลยพอพระองค์แพร่ขายคือพระยานไปเนี่ยนะพุทธจักสู่ของพระองค์ก็จะตรวจจับสัญญาณได้จากบางคนจะมีตัวแดงๆขึ้นมาก่อนเลยคนไหนที่อาการหนักที่สุดเช่นองคุลิมาเนี่ยเช้าตรู่วันนี้กำลังมีเป้าหมายว่าจะทำมาตุคาดเนี่ย กับไปเจอเพระอีกรูปหนึ่งกําลังจะมรณภาพแต่ว่ามีอุปนิสัยปัจจัยเหมือนกันพระพุทธองค์ก็ต้องทรงวิเคราะห์แล้วว่าองค์หนึ่งจะมรณภาพแต่องค์หนึ่งอายุยังอีกนานแต่จะฆ่าแม่พระองค์ก็ต้องมาวัดละว่าจะปลดใครก่อนนี่คือวิธีที่พระพุทธองค์ทรงวางแผนการสอนทุกทุกเช้าตรู่จะทรงทอดพระเนตรไปยังทั่วทั้งสากลชุกตวาลเมื่อทรงคนพบกลุ่มเป้าหมายแล้ว จากนั้นพระองค์จะทรงถามต่อไปว่าแล้วคนคนนี้ภูมิหลังเป็นยังไงอ๋อเป็นหมอเป็นหมอศัลยกรรมสะด้วยเออหรือว่าเป็นหมอก็มีคลินิกเถื่อนทำแท้งพันกว่าคน <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้เลิกเป็นหมอแล้วรับจับเป็นสัพเพเอร อ, อผลงานไม่เร็วนะสองพันกว่าคนนี่ พระพุทธองค์จะทรงวิเคราะห์ภูมิหลังเขาแล้วหลังจากนั้นจะทรงดูต่อไปว่าอุปนิสัยปัจจัยของคนคนนี้เป็นยังไงมีแนวโน้มเป็นอย่างไรพอคนพบแนวโน้มคือความสนอกสนใจส่วนตัวของเขาพื้นเพภูมิหลังเขาแล้วจากนั้นจัดธรรมโอสถให้ตรงกับโรคของผู้ป่วยจัดธรรมโอสถให้ตรงกับโรคของผู้ป่วยเสร็จปับ๊บพระองค์จะมองต่อไปว่าหลังที่จัดธรรมโอสถให้แล้วอาการเป็นอย่างไร พระองค์จะทรงมองเห็นตั้งแต่ต้นจนจบแล้วว่าอ๋อพอได้ฟังธรรมแล้วก็จะบรรลุธรรมแค่โสดาบันแค่สการทาคาแค่อนาคาหรือเป็นพระอระหันต์พอพระพุทธองค์ทรงเห็นตั้งแต่ต้นจนจบแล้วหลังจากนั้นสายสายจะเสด็จดำเนินไปไปโปรดยังกลุ่มเป้าหมายถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายธรรมดาๆก็จะเอาคณะสงฆ์พูดติดตามไปด้วยเยอะหน่อยอาจจะเป็นห้ารอยรูป แต่ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นอัจฉริยะบุคคลเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษเช่นองคุลิมานบางครั้งเสด็จพระองค์เดียวเช่นครั้งที่จะไปโปรดพระองคุลิมานนั้นรับสั่งกับพระอานุ์ว่าอานุน์วันนี้เราตถาคตมีกิจที่จะต้องไปโปรดองค์ุลิมานโจนเธอไม่ต้องตามเสด็จเราวตถาคตพระอานุ์ก็กราบบังคมทูลถามว่าทําไมล่ะพระพุทธเจ้าค่ะ กระพุดดงก็บอกว่าอนอนน์แคสเนี้ยเสี่ยงมากกาตรกรโรกจิตค่าต่อเนื่องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าศพให้เราตถาคตไปองค์เดียวเพราะว่าเราตถาคตดูแลอาจจะมีการวิ่งแข่งกันนิดหน่อยถ้าเธอไปแล้วมีปัญหาแน่ฉะนั้นให้ผดียงคณะสงฆ์คือแจ้งคณะสงฆ์ทั้งพวกด้วยว่า วันนี้เราจะถาคดขอไปคนเดียวคุณยอมฟังดูนะเป็นพระสัพพัญยูของโลกอะจะไปสอนคนหนึ่งคนไม่ใช่ง่ายนะขนาดพระพุทธองค์ยังต้องทรงคิดหน้าคิดหลังอะและพระธรรมดาธรรมดาอย่างเราเรานี่ลหละจะรับกิจนนิมนต์จะไม่คิดได้ยังไง <c oughs> <c oughs> บางทีนิมนต์เรานะ สำนัก ง, งานใหญ่อยู่ในกรุงเทพพอรับนิมลปับบ๊บบอกว่าจะให้ไปเทศที่ต่างจังหวัดเฉยเลยนี่ผู้ปก ต, ต้องทรองวางแผนการสอนอย่างนั้นพระทั่วไปยิ่งต้องวางแผนการเทศการสอนให้มากกว่านั้นเพื่อที่จะให้ทุกครั้งของการเทศนั้นบรรลุเ ป, ป้าหมายสูงสดุดรุ่งเช้าเฝ้าบินทาบาทเสร็จแล้ว ตอนเช้าตู่เนี่ยทรงพินิษฐสัตว์จากนั้นรุ่งเช้าก็เสด็จบินทับาทในการเสด็จบินทับาทนั่นแหละคือโอกาสในการโปรดเวนัยยศเพราะโปรดเวนยัยย์เสร็จกลับมาช่วงเที่ยงพระองค์จะพักพักยาวไปเลยภาษาบาลีเรียกว่าทรงหลีกเร้นภาษาไทยเราเรียกกันงั้นกว่าทรงเปลก่ยวิเวกจากนั้นประมาณ4ี่ห้าโมงเนี่ยก็จะทรงเปิดโอกาสให้สาธุชนจากทุกสารทิศลังไหลามาเฝ้าเพื่อฟังธรรม ตรงนี้จะเป็นการแสดงธรรมกับกลุ่มใหญ่อีกครั้งหนึง่งนี่แหละที่กลุ่มกัลยาณธรรมอามาทำเนี่ยจำลองมาจากเหตุการณ์ตอนนั้นมีที่มาที่ไปเหมือนกันนะและบรรยากาศก็ประมาณนี้ซะด้วยเสียนะเห็นไหมสามมองเปดนวยกันเนี่ยกาลังดีเลย <S <S พอโปรดยอดยมตอนเย็นเย็นเสร็จปับ๊บส่งพักสักหนึ่งชั่วโมงจากนั้นหลังทาวัดเย็เนเนี่ยคณะสงฆ์ก็จะมาละ ที่ไปเรียนกรรมฐานกันในป่าเขาลําเนาวพรายทั้งหมดจะกลับออกมามารายงานผลซึ่งศัพท์เทคนิคในเมืองไทยของเราเรียกว่าการสอบอารมณ์นี่การสอบอารมณ์ก็มีที่มาอย่างนี้คุณแยกกันไปปฏิบัติปฏิบัติปับ๊บได้เรื่องได้เรายัางไงก็มามาถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็จะทรงเปิดคอร์สพิเศษต่อปัญหาพระพิสุสง์รูปไหนมีอาการเป็นยังไงดีไม่ดีปฏิบัติแล้วจิตมัน เพิหน้าไหมหรือปฏิบัติแล้วเนี่ยมันถอยหลังหรือปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตมันไปติดพิปัสนูกิเลตตัวใดตัวหนึ่งก็จะมาสอบสวนทวนความกันตรงนั้นก็กินเวลาไม่น้อยกว่าสองสามชั่วโมงจากนั้นภิกษุลากลับไปกุฏิใครกุฏิมันลทีนีน้แต่งานของสเด็จพ่ อ, องเรายังไม่จบพระพุทธองค์ยังต้องทรงอยู่ต่อไป อาจจะทรงแวบไปจิบจิบน้ำมะนาวผสมน้ำพึ่งนิดหน่อยให้เสียงดีขึ้นหรืออาจจะจิบน้ำอุ่นนิดหนึง่งใ ห, ให้ระบบเสียงดีขึ้นมากขึ้นชุ่มคอชื่นใจจากนั้นเสด็จกลับมาอไมครั้งหนึ่งประมาณเที่ยงคืนทีนี้เป็นวาระของใครเที่ยงคืนนี่เป็นวาระของเทวดา มีสองความหมายหนึ่งเทวดาจริงๆกับอีกหนึ่งเทวดาโดยสมมุติหรือสมมุ ต, ติเทพเช่ น, นะเกกานเมืองพระราชามหากริยัเจ้าฟ้าชายเจ้าฟ้าหญิงก็มาขอเฝ้าถามว่าทำไมไม่มากลางวันมากลางวันเนี่ย มันต้องปิดถนนรถติดกวนชาวบ้านเขาไม่อยากรบกวนพระสกฆนิกาเพราะฉะนั้นขอมากลางคืนนี่ก็สมมุติเทพมาเฝ้าพระพุทโ์พร้อมกับปัญหาหนักอกเฉะนั้นในแต่ละวันแต่ละวันของพระพุทโ์ของเรานั้นเต็มไปด้วยพุทธกิจเช่นนี้ เราทั้งหลายฟังดูแล้วคิดว่าง่ายไหมการเป็นพระพุทธเจ้าไม่ง่ายถึงแม้จะทรงมีพระสมัญญาพระสัพพันย์อยูผู้รู้สิ่งทั้งปวงแต่ทุกทุกครั้งที่จะทรงแสดงธรรมก็ยังต้องทรงวิเคราะห์วิจัยและก็วางแผนเหมือนเดิมและพระเหตุที่ทรงวิเคราะห์วิจัยและมีการวางแผนการสอนทุกครั้งนั่นเองจึงทําให้ทุกครั้งที่ทรงแสดงธรรมเปรียบสเสมือนการที่พระองค์ทรงรับประกันกันเทศ ภาษานักธุรกิจก็เรียกว่าเป็นการรับประกันสินค้าว่ามีคุณภาพทุกชิ้นพระพุทธองค์ก็เหมือนกันเวลาที่แสดงธรรมทุกครั้งก็ทรงรับประกันกันเทศเรียกว่าทรงทำ Q A นะ Quality Assurance ให้กับการเทศของพระองค์เหมือนกันนะทุกวันนี้อาตมาก็เลยทำเหมือนกันไม่เทศถึงเทศขว้างนะตั้งใจเทศเหมือนกันกาวว่าเทศทุกครั้งต้องมีคนบรรลุ มันต้องบัรลุสักอย่างหนึ่งนะชั <c oughs> ้นไหนก็ว่ากันอี ก, อก ท, ทีนึงทีนี้พอทรงตรวจพิจารณาสัตวโลกจนทรงค้นพบกลุ่มเป้าหมายตรวจดูภูมิหลังจัดธรรมโอสถรู้ว่าจะใช้วิธีการใดและผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็มาถึงขั้นตอนเสด็จดำเนินไปสอนจริงๆเมื่อไปสอนจริงๆนั่นแหละคือเวลาที่พระองค์จะได้ทรงใช้กุสโลบาย วันนี้แต่มาภาพเลยมีตัวอย่างที่พระพุทธองค์ทรงใช้กุศโลบายอยู่หลายตัวอย่างพอสมควรมาเล่าให้ฟังกุศโลบายที่หนึ่งเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราภาษาบาลีเรียกว่าอัตตานังอุปมังกเรเป็นำคำขวัญของมหาวิทยาลัยมหิดลอัตานังอุปมังกเรเอาใจเขามาใส่ใจเราทำยังไง ครั้งหนึ่งขณะที่เสด็จพุทธดำเนินไปเบญ ท, ทะบะพระองค์ได้ทรงพบกับเด็กเล็กๆกลุ่มหนึ่งยืนมุงดูอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทรงเสียงเฮเฮเฮทรงแว บ, บเข้าไปคุนยอมตั้งใจให้ดีนะไม่ใช่ว่าเอ๊ะพระพุทธองค์ของเราเนี่ยไม่ทรงรู้ร้อนรู้หนาวกับชาวโลกนะเขาเฮเฮเฮเนี่ยไม่สนใจไม่ใช่นะเขาเ hey ฮพระองค์ก็ขอดูเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ไปเ hey ฮกับเขานะ ทรงเว็บก็ไปดูเห็นเด็กกำลังตีงูอยู่กลุม่มใหญ่เลยทรงยื่นบาทนห้พระอนอนท์อนอนท์ถือบาทมาให้หน่อยทรงแวกฝูงเด็กๆเกข้าไปหนูทำอะไรกันอยูล่ลกตีงูก็รับงูนี่ตายหรือยังยังก็รับเอา้าถ้ายัง เพ่องูมันกลัวเจ็บไหมกลัวขอรับแล้วพวกเธอเนี่ยตายหรือยังยังครับถ้าฉันตีเธอเนี่ยเธอเจ็บไหมเจ็บครับถ้าฉันตีจนตายเนี่ยเธอกลัวไหมกลัวครับแล้วเธอตีงูจนตายเนี่ยงูมันกลัวไหมกลัวครับถ้างูยังกลัวแล้วเธอยังกลัวเธอก็กลัวตาย งูก็กลัวตายแล้วทำไมพวกเธอตีงูเจออย่างนี้ก็เด็กอึ้งะเด็กก็อึ้งเป็นนะยอมนะเพราะอึ้งแล้วเนี่ยได้คิดวางก้อนดินท่อนไม้วิ่งเจ้นหนีไปคนละทิศคนละทางงูตัวนั้นถ้ามันประนมมือได้มันคงประนมมือนะสาธุถ้ามาช้าอีกนิดลูกตาย <c oughs> เห็นไหม นี่เรียกว่ากุศโลบายในลักษณะเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเป็นเราๆท่านๆเดินเข้าไปหาเด็กแล้วไปชี้หน้าด่าเด็กมาจากไหนเนี่ยวิทยาลัยไหนวิทยาลัยอาชีวะหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ถ้าอาชีวะแล้วระวังให้ดีกใครจะตาย <laughs> <laughs> คนที่ไปด่าเด็กกันจะตายก่อนนะ <laughs> ฉะนั้นพระพุทธองค์นั้นทรงปรีชาญาณมาก ไม่ดานะไม่ตำหนิและไม่ทรงเรียกเด็กมารับสินห้านะแต่ทรงแหวกเข้าไปแล้วตั้งปุชฉาพอตั้งปุชฉาปั๊บเด็กเขารู้สึกว่าเขาถูกด่าไหมก็ไม่รู้สึกเขารู้สึกว่าเขากาลังถูกตําหนิไหมก็ไม่รู้สึกแต่เขารู้สึกแค่ว่าอ๋อมีคนแวะมาถามนี่คุณพ่อคนแม่ทั้งหลายเวลาจะสอนลูกอะ่ะลองใช้กุศโลบายแบบนี้ดูสิ ไม่ใช่ว่าลูกวิ่งชนแก้วน้ำคว่มแล้วก็แตกปลิ้งเลยเนี่ยเดินเข้าไปมือจิ้มนะำผักโตขึ้นแกจะทำหากินยังไงมันโง่แก้วน้ำแค่นี้ไม่รู้จักลบโตขึ้นมันจะเอาดีได้ยังไงก็แค่ทำแก้วน้ำแตกอ่ะมันคาดการถึงอนาคตเลยนะ สอนอย่างเงี้ยลูกจะจํำไหมสิ่งที่ลูกจะได้รับคือความรู้สึกแย่ต่อคุณพ่อคุณแม่ตราบนานเท่านานาเขาผิดนิดเดียวคุณพ่อคุณแม่ไปขยายความผิดเขาอะใหญ่เท่าบ้านเลยวันหลังอะ่ะทําทีเป็นแวะเข้าไปถามแบบระพุดใเจ้าสิลูกทําอะไรอ่ะแก้วน้ําแต่ครับแม่แก้วน้ํานี้ลูกว่าราคาเท่าไหร่ลูกก็น่าจะแพงอยู่นะครับแม่แล้วลูกหาเงินได้เองหรือ ย, ยงัง ยังครับเห็นนะแล้วใครหาเงินแม่ครับกว่าได้เงินกว่าจะได้เงินมาในแม่ลำบากไหมลาบากครับแล้วคราวหน้าคราวหลังจะทำแตกอีกไหมไม่ครับผมกลัวแม่ลำบากเป็นยังไงพอเติมกุศโลบายเข้าไปแล้วมันดีไหมวันหลังลองทำดูนะอันนี้กัดลลูกนะแต่ถ้าสามีทำเกี้ยวแตกทำไง ถ้าสามีมันต้องอีกระดับหนึ่งนะ <c oughs> จำไหมอย่างหนึ่งว่าของอย่างหนึ่งที่ใช้กับคนคนหนึ่งไม่สามารถใช้กับคนทั้งโลกเพราะอะไรมนุษย์แต่ละคนภูมิหลังไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาจะใช้กุศโลบายแต่ละครั้งต้องใช้ปัญญาเยอะๆมาดูกุศโลบายต่อมากุศโลบายที่สองเรียกว่าเตือนใจให้ฉุก ค, คิดเตือนใจให้ฉุก ค, คิด มนุษย์ทุกคนนั้นมีศักยภาพในการคิดอยู่แล้วแต่บางครั้งศักยภาพนั้นก็ถูกปิดถูกงำถูกซ่อนเร้นถูกบังเอาไว้เหมือนทุกวันที่พระอาทิตย์จะสาดแสงกระจ่างสว่างใสมาอย่างโลกแต่ทำไมบางวันเราจึงรู้สึกว่าแสงนั้นไม่กระจ่างสว่างใสไม่ใช่พระอาทิตย์ขี้เกียจนะพระอาทิตย์ส่องสว่างทุกวันแต่ที่แสงไม่สาดลงผืนโลก ให้สว่างกระจ่างใสเหมือน mean, เดิมนั่นเป็นเพราะว่ามีเมฆมาบังมีหมอกมาบังมีควันจากอุตสาหกรรมมาบังมีโคมจากเชียงใหม่มาบังลอยกระทงช่วงนี้ใช่ไหมโคมปล่อยทีพันสองพันลูกเหตุปัจจัยแวดล้อมมันไม่เอื้อมันก็เลยไม่ไม่สุกสว่างกระจ่างใสก็เช่นเดียวกันมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะคิดแต่ทาไมคิดไม่ได้ ก็เพราะมีเหตุปัจจัยแวดล้อมมาบดบังไว้แต่ถ้ามีคนมาเตือนใจให้จุกคิดเขาก็คิดได้พอคิดได้ก็ได้คิดนะไม่เหมือนกันนะสองคำนี้นะคิดได้นี่ก็คือมันไม่ทันคิดแต่พอมีคนมาชี้ให้คิดมันก็คิดได้พอคิดได้แล้วมันคิดออกเห็นทางสว่างเหมือนแหวงไม่เห็นตะวันเนี่ยก็ได้คิดคิดได้ทำให้ได้คิด ครั้งหนึ่งพระยะติวงของพระพุทธองค์นั้นทรงแย่งน้ํากันทนํานาน้ําในแม่น้ําโรฮิเน่นั้นน้อยแสนจะน้อยทุกวันนี้ยังมีอยู่นะแต่มาภาพไปหลายครั้งจอดรถแวะดูแล้วก็ถ่ายรูปทุกครั้งตาเมื่อไหร่ก็ยังเจอน้ําแห้งทุกครั้งเหมือนกันนะไม่เหมือนเมืองไทย น, นั้นน้าเยอะจนล้นท่วมบ้านท่วมเมืองโอ้โหสนุกจังเลย <laughs> ขณะที่กองทัพของทั้งสองฝ่ายยาตรามาเผชิญหน้ากัน กำลังจะต่อรบกันอยู่ตรงนั้นเองก่อนที่สายน้ําแห่งโลงหติตกําลังจะไหลนองพระพุทธองค์นั้นทรงเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นในขณะที่พระองค์ทรงแผ่ขายคือพระยานตรวจสอบตอนเช้าตรู่นาทีชีวิตที่กําลังจะมาถึงนั่นเองพระพุทธองค์เสด็จดําเนินเสด็จดําเนินไปแล้วพระพุทธองค์นั้นทรงพระปริชาญมากคุณโยมทั้งหลายกองทัพสองกองทัพตั้งเผชิญหน้ากันอย่างนี้ ถ้าเราจะเป็นคนกลางถ้าเราเดินไปตรงกลางมั่นใจไหมว่าจะเอาอยู่ใครที่อยากเป็นคนกลางนะ่ะสังเกตให้ดีนะคนกลางไม่ใช่คนที่อยู่ตรงกลางนะพอเขากำลังจะฆ่ากันอยู่คณไปอยู่ตรงกลางแล้วก็บอกว่ายานะถ้าคุณยาไม่สำเร็จคุณตายพระพุทองคทรงทำตนเป็นคนกลางแต่ไม่ได้อยู่ตรงกลางอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบน นะทรงเสด็จดำเนินไปแล้วก็เหาะไปอยู่ข้างบนแล้วก็ตรัสถามจะทำอะไรกันยย่งน้ำพระพุทธเจ้าค่ะทรงกระตุ้นให้ฉุก ค, คิดนะน้ำกับคนนี่อันไหนมีคุณค่ามากกว่ากันพระยาติวงศ์ตอบพร้อมกันคนพระพุทธเจ้าค่ะเอา้าก็ถ้าคนมีค่ามากกว่าน้ำแล้วแย่งน้ำ โดยการฆ่าคนเนี่ยได้น้ำแต่ฆ่าคนมันคุมม้มไหมพระญาตมองหน้ากันลดดาบลดห อ, อกลดอาวุธลดสไนเปอร์ลงลดหมดมือตอบตีนตบรถหมดไม่เอาไม่ชุกคิดได้แล้วแรงไปแรงไปถอย ทำอะไรเชิงสัญลักษณ์ดีกว่ามุ้ยรุนแรงไปไม่ดีทรงถามยำ้ำน้ำกับคนอะไรมีคุณค่ามากกว่ากันคนพระพุทธเจ้าข่าถ้าเช่นนั้นมันคุ้มไหมที่เธอฆ่าคนเพื่อแย่งน้ำไม่คุ้มพระพุทธเจ้าค่าไม่คุ้มแล้วจะทำอีกไหมไม่ละพระพุทธเจ้าค่ะพอบอกว่าไม่ละพระพุทธเจ้าค่ า, ออ ก, า, า, คากองทัพทั้งสองฝั่งลถ อาวุธยุโทโธปกรณ์ลงวางแทบพื้นเด่นก้มลงกราพระพุทธองค์แทบพระยุคลบาทต่างคนต่างกลับบ้านโดยไม่มีสงครามเกิดขึ้นคุณยอมเห็นหรืยอยังคนที่กำลังจะเข็นฆ่ากันนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาต้องการก็คือสติถ้ามีใครไปให้สติ อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ถือกันว่าร้ายกาจที่สุดนั้นก็จะไม่มีพิษภัยแต่อย่างใดแต่ถ้าเขาขาดสติแม้แต่ช้อนแม้แต่ซอมแม้แต่ปากกาที่อยู่ในมือก็ใช้ทท่มแทงซึ่งกันและกันให้เป็นอาวุธมหาประไลได้ดังนั้นในยามสงครามสิ่งที่จำเป็นที่สุดนอกจากแม่ทัพนกองก็คือตัวสติพระพุทธองค์แค่ไปสกิดให้ทุกคนได้สติสงครามก็สงบ อธรรมภาพนี่อยากจะกราบทูลช่วยพระพุทธองค์เสด็จมาเยี่ยมเมืองไทยดังเลยอะ่ะ <c oughs> ใครรู้วิธีนิมนต์พระองค์ท่านนะมีเบอร์โทรท่านนะ <c oughs> บอกหน่อยสิย้อนนิมนต์เป็นส่วนพระองค์สเสด็จเยี่ยมเมืองไทยบ่อยๆนะสองสามปีมาที่มันขาดสติแล้วเกินเมื่อเมืองถึงวุ่นวายเพราะเราไม่ได้สตินี่คือกุศโลบาย ท, ที่สองที่เรียกกันว่าเตือนใจให้ฉุกคิด พอจุคิดก็รู้จะคิดพอรู้จะคิดก็ได้คิดพอได้คิดปั๊บสันติภาพก็เกิดขึ้นกุศโลบายที่สามเรียกว่านามยอกเอานามบง่งนามยอกเอานามบง่งครั้งหนึ่งพระพิสุนุมรูปหนึ่งมาบวชแล้วก็ท่านก็เป็นเหมือนต้นไม้ที่กาลังอยู่ในวัยกำลังเจริญ มีโอกาสรุ่งโรจน์โชตนาสูงถ้าใช้ศาสตร์ทางชีววิทยาก็เรียกว่าอยู่ในวัยเจริญพันธุ์วันหนึ่งท่านไปบิยดาบาทปกติท่านก็จะสํารวมมากขณะที่ท่านไปเดินบิยดทาบาทเช้าวันนั้นท่านแวะไปที่คาริษฐานของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าหญิงงามเมืองหรือโสเพเนโสเพเนนั้นศัพท์เดิมเขาใช้คำว่านาครโสเพเนแปลว่าสตรีผู้ยังนครให้งาม มีศักดิ์ศรีเทียบเท่านางสาวไทยในยุคนี้นะแต่ยุคหลังๆมันตกต่ำลงเองนะในยุคโน้นใครเป็นนครโสเพนีคนนั้นเป็นเกียรติยศของบ้านของเมืองทุกๆเมืองจะต้องมีอย่างน้อยคนหนึ่งในเช้าตู่วันนั้นนครโสเพณีที่ชื่อสิริมาแต่ว่านางผู้เล่าชมนั้นป่วยหนักแต่ถึงจะป่วยยังไงก็ตามเธอก็เป็นชาวพุทธแข้ๆ้น เพราะว่าเธอนั้นขายตัวแต่หัวใจไม่ขายหัวใจไปไว้ไหนหัวใจถวายวัดเหมือนผู้พวงอ่ะ <c oughs> ทั้งทั้งที่ป่วยนะแต่เธอก็ไม่เคยละเลยกิจวัตรประจำวันหอบเอารูปร่างสังขารที่บักโกรกสโลตโตเตมาตักบาทขณะที่กำลัง บันจงหยิบเข้าปราหารันบันจู่ลงไปในบาทของพระพิกษุนมรูปนั้นพระพิกษุนมรูปนั้นก็มองอยู่ที่บาทแล้วมือของเธอก็ผ่านลงไปในบาทท่านเห็นเรียวมือของนางงามเหลือเกินท่านลึกในใจโอโซเบติฟ oh, so ูสวยมาก งามดังลำเทียนนะ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนน่ะทำไมมือและเล็บของนางถึงงามพริ้งขนาดนั้นท่านติดตาตรึงใจกับภาพอัน ง, งดงามนั้นเดินกลับมาพอเดินกลับมานี่มไม่ตรงไปที่โรงฉันเข้าห้องพอถึงเวลาฉันท่านไม่ไปฉันพระเพื่อนมาเรียกท่านนิมนต์ฉันผมฉันไม่ลงทำไมท่านฉันไม่ลงผมลืมเธอไม่ลงลืมใครไม่ลง ก็โยมที่เราไปรับบาดเมื่อกี้ไงโหสวยอะเพื่อนเลยบอกท่านผมจะบอกอะไรให้วันก่อนๆสวยกว่านี้เอาทำไมอะวันนี้ผมไปสืบมาว่าเธอป่วยนี่ขนาดป่วยนะโอ้โหขนาดป่วยนี่ยังเท่ากับอัมพจรพาบอกพอลล่าเทเลอร์นะ พอรู้ว่าป่วยยังสวยขนาดนี้อาการท่านยิ่งหนักเลยไม่ยอมฉันนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านฉันอะไรไม่ลงเพราะอะไรหลับตาลืมตาก็นึกถึงแต่หน้าของเธอเรื่องนี้คนไม่เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอาจจะไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่กรรมราคามันคุกกรุนเนี่ยถ้าเราอยู่ในคอสีวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเราถูกปิดตายทางตาทางหู ทางปากไม่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ไม่มีโอกาสคุยเราเจะเหลืออาญาตนะอยู่ช่องเดียวคือใจแล้วพอใจมันปรุงขึ้นมานะวิตจิตมากมีอยู่ปีหนึ่งที่แต่มาภาาไปปฏิบัติที่ศาสนากรรมฐานที่ที่เขาใหญ่อยู่กลางป่ากลางดงเลยละงูงเหียวเขี้ยวขอเยอะแยะไปหมดเป็ดตายเลยห้ามเยี่ยมห้ามประกันวิตจิตมันปรุงขึ้นมา ปรุงไปหาแม่เดชบุญที่ปรุงไปหายมแม่ไม่ปรุงไปหาแม่ทูนหัวคุณยมเชื่อไหมว่าพอปรุงไปคิดถึงยมแม่ว่าเนี่ยลูกมาปฏิบัติธรรมเสียดายแม่ไม่อยู่ถ้าแม่อยู่นะพระลูกจะพาแม่มาปฏิบัติเสียดายนึกเสียดายเพราะนึกเสียดายเท่านั้นะคุณยมเดินจงกรมไป จูจ่ๆโยมแม่ยืนอยู่หัวที่จงกรมสูงท่วมกอไผ่เลยอาตมาอึ้งเลยเฮ้ยแม่มาได้ยังไงอ่ะทำไมไม่นัดมาก่อนอ่ะหัน <laughs> หลังกลับพอหันกลักบปั๊บท้ายที่จงกรมแม่ยืนอยู่อีกคนหนึ่งอาตมาหันสลับเป็นโยมแม่อาตมา ใส่เสื้อผ้าและผ้าถุงที่อาตมาเคยซื้อให้เมื่อยังมีชีวิตยอยู่ยืนปิดหัวปิดท้ายอาตมาเหงื่อแตกพักเลยอย่แม่มาเล่นมาไม่บอกเงี้ยน่ากลัวนะแม่นะ <c oughs> นึกในใจสักพักหนึ่งอาตมาหลี่ออกจากทางจงกรมไปเดินอยู่บนดินลูกรังเพื่อให้ดินลูกรังซึ่งมีปลายแหลมแหลมทิ่มเท้าพอมันทิ่มเท้าพิมสติมา พอสติมาปับ๊บเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันหันไปมองแม่หายแม่ไม่ได้มาแต่สิ่งที่มาคือจิตที่ปรุงขึ้นเองนี่แหละตะมาถึงบอกว่าเวลาที่เรากำลังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ถ้าจิตมันปรุงนะถ้าไม่มีกุศโลบายนะตายขาดี่นะ่ะหลวงพ่อชาท่านเล่าไว้พอจิตมันปรุงขึ้นมาท่านเดินไม่ได้เลยนะ่ะ คือถึงขั้นขยับไม่ได้ต้องหยุดอยู่กับที่การมาราคามันมันล้อมท่านไว้หมดมองไปทางไหนก็เห็นแต่สัญลักษณ์ของการมาราคานะขยับตัวไม่ได้เลยพิกูุรูปนี้ก็เหมือนกันพอไปเห็นนิ้วอันเรียวงามของนางสิริมาซึ่งงามดังลำเทียนกลับมาปั๊บเนี่ยการมาราคาประกาศล้อมจับท่านนะหยุดนะหลวงพี่การมาราคาล้อมไว้หมดแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย แล้วท่านก็อยู่อย่างนั้นจนกระทั่งว่าป่วยและในที่สุดเป็นโรคผอมเหลืองตัวผอมมีแต่เส้นเอ็นปูดโพนเหมือนกับโครงกระดูกที่มีหนังหุ้มไว้อยู่ต่อมาไม่กี่วันนางสิริมาถึงแ ก, ก่กรรมข่าวนั้นรู้ไปทั่วทั้งประเทศเหมือนกับเจ้าหญิงในอนาสิ้นพระชนม์อะไรงานกันทั่วโลกทุกคนเศร้าสลดกับข่าวนางสิริมา จากไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วข่าวก็รั่วไหลเข้ามาถึงวัดภิกษุรูปนั้นยิ่งเศร้าจิตตกไม่อยากอยู่เป็นคนอยากจะตายไปตามๆกันจะได้ตามไปจีบถึงในโลกหน้าพระพุทธองค์นั้นทรงทอดพระเนตรเห็นอาการของภิกษุหนุ่มรูปนี้โดยตลอดทร ง, ทร ง, ทรงส่งซิกแนวนะสมัยปัจจุบันก็เรียกว่าเอ s เสนะไปถึงพระราชา โดยทรงมอบพุทธดำรัสบอกพระอนนท์ว่าไปบอกฝ่ายบ้านเมืองหน่อยอย่าเพิ่งเผานางซีเรมาทางสำนักราชกังก็ถามมาว่าถ้าไม่เผาจะเม้นนะขอรับพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบไปว่าเราตถาคตตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นทางฝ่ายบ้านเมืองจึงเก็บสมนางซิริมาเอาไว้โดยไม่ได้ฉีดยา ไม่ได้ใส่ในตู้แช่แข็งปล่อยให้ขึ้นอืออยู่ในโรงพอครบเจ็ดวันตามที่พระพุทธองค์ขอสเสด็จ ด, ดำเนินไปเป็นประธานในงานชาบปณ ก, กิจศพก่อนจ ะ, สะเสด็จ ด, ดำเนินบอกพระอานอนท์ อ, อนอนท์ไปเอาไปไ ป, ไปนิมนต์พระภิสุรุรูปนั้นมาบอกว่าตถาคตให้ไปด้วยพระพิสุรุมรูปนั้นนั้นสุดแล้วก็สูบมาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงพอรู้ว่าจะได้ไปงานศพนางสิริมาอดีใจสุดๆนะลุกขึ้นมาฉันเลย ท่านก็ได้มามาต้มยำกุ้งไปถ้วยหนึ่งโอ้โหมีแรงเลยทีเนี้ยนะหมจีวรตามพระพุทธองค์ไปต้อยต้อยต้อยจนกระทั่งไปถึงชาปนาสถานคนเรือนพันมาดูการเผาศพดังสิริมาพระพุทธองค์ทรงทรงสัญญาณ อ, อนนท์ไปเรียกเจ้าหน้าที่มาพอเจ้าหน้าที่มาถึงปั๊บพระพุทธองค์ทรงมีรับสั่งอย่าเพิ่งเผานะเราจะถาคดขอให้ท่านช่วยประมูลนิดหนึ่ง เหน้าที่รับรับสั่งมาแล้วก็ไปประกาศต่อหน้าสรากศพของนางซิรีมาซึ่งเมื่อเก็บไว้เจ็ดวันนั้นปรากฏว่าสภาพศพดูไม่จืดเลยถ้าโยมไม่เชื่อนะถ้ามีใครตายสักคนโยมเก็บไว้สักเจ็ดวันไม่ต้องฉีดฟอร์มลินนะเก็บไว้น้ำเหลืองไหลออกจากทวารทั้งเก้าสรีระของนางนั้นขึ้นอืดมลงวัน อ้อมหึงหึงกลิ่นนั้นฟุ้งรบกวนคานาประสาทไกลเป็นกิโลกิโลเมตรนะทุกคนที่มาร่วมงานศมนางสิริมาต้องเปิดปากเปิดจมูกกันหมดพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งแล้วก็ทรงแยมพระส่ว น, นน้อยนี่แหละที่เราตถาคตต้องการเจ้านที่ไปยืนอยู่ข้างศมนางสิริมาแล้วก็ป่าวประกาศข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอเดชะได้ฝ่าละองธุลีพระบาทปกครองประมอมข้าพระพุทธเจ้าขออนุญาตใช้คำสับสามมันในการประมูลและทจาหนาที่สำนักพระราชวังก็บอกว่าท่านทั้งหลายตอนที่นางสิริมายังมีชีวิตอยู่ทุกคนที่จะร่วมมาพิรมกับนางในแต่ละคืนต้องวางเงินเดิมพันถึงหนึ่งพันหหเหรียญทองเอาละบัด น, นี้เราท่านทั้งหลายก็มาอยู่ตรงนี้ เบื้องหลังของข้าพเจ้าคือนางผู้เลอโฉมที่สุดในนครเอา้าใครอยากเดินร่างของนางไปร่วมอภิรม์ในวันนี้ก็ขอให้ประมูลมาเลยเราเริ่มต้นที่หนึ่งพันเหรียญทองใครจะประมูลฝั่งโน้นมีไหมไฮโซและเซเลบ็บทั้งหลายเจ้าป้าทั้งหลายนั่งอยู่ฝัง่งโน้นเงียบเลยฝั <laughs> ่งนี้นะักการเมืองใหญ่ทั้งหลายมุกมนตรีมหาอําตัดเงียบ ด้านหน้าดาราซปเปอร์สตาร์ทั้งหลายก็เงียบพระสงฆ์เป็นพันรูปยิ่งเงียบพระภิกษุรูปนั้นนั่งอยู่เบื้องพระพิสดารของพระพุทธเจ้าคือนั่งถัดจากหลังพระพุทธองค์ออกไปมองตาเป็นมันนี่หรือคือสิริมาไม่น่าเชื่อ <c oughs> จากนั้นที่เริ่มประมูลเอาละที่หนึ่งพันไม่มีใครประมูลถ้าเช่นนั้นลดลงมา ก้รอเหรียทองใครจะไปมูลเงียบ800รเงียบเจ0ดร้อเงียบห0รเงียบห้ารสีาสองหนึ่งเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาละนะในเมื่อไม่มีใครประมูลซากอสุภะของนางสิริมานีทางสนัพระจวังขอยกให้กับใครก็ได้ที่ประสงค์จะรับไปฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้น ทางโน้นมีไหมนะนักการเมืองก็เงียบทางนี้มีไหมเจ้าในายในราชตระกูลเงียบทางโน้นมีไหมนะซูเปอร์สตาร์ทั้งหลายเงียบพระคุณเจ้าจะนิมนต์ไปไว้ที่วัดไหม <laughs> หลายรูปคนลุกขนพองแต่สําหรับพระหนุ่มรูปนั้นเจเริญอสุภะกรรมาฐานตามลําดับในใจของท่านเงียบเงีย พระพุทโธทรงแยมพระสวนเดี๋ยวก็รู้ท่ามกลางความเงียบจิตของพระพิกษุนุ่มรูปนั้นเกิดการตื่นรู้ขึ้นมาร่างของนางสิริมานเน่าและก็เปื่อยผุพังสุดโทรมลงตามลําดับแต่จิตของพระภิสุนุมรูปนั้นเติบโตปริบาลและก็เจริญขึ้นสู่วิวัฒนาการสูงสุดในที่สุดปริบาลเต็มที่โพลง บรรลุธรรมหลังพระพุทธองค์นี่มือฉันอองสอนทุกครั้งต้องบรรลุอย่างนี้พอพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณว่าภิกษุที่อยู่ข้างหลังพระพุทธองค์นั้นถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วพระองค์ทรงสัญญาณอานนท์เผาได้แล้ว It's time to go เผาแล้วอานนท์ไปบอกเจ้าหน้าที่ จู่ๆเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอ้าถ้าไม่มีใครประมูลงั้นก็เผา <c oughs> ในที่สุดยกขึ้นสู่ตะแลงแกงหรือเชิงตะกรอนแล้วนางสิริมาก็ได้รับเกียรติจากพระราชามาหากษัตริย์ให้เป็นประธานในการเผาพระพิสูรรูปนั้นทอดตามองร่างของนางสิริมาที่แตกดับไปพร้อมกับจิตใจที่เกิดความสลดสั่งเวทเต็มประดาท่านรำพึงกับตัวเองว่า นี่หรือคืออสุภะซาของสตรีงามเมืองซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อยังมีชีวิตอยู่คนทั้งโลกต่างหลงไหลแม้แต่การยืงกรายของนางความงามของนางนั้นถ้าเธอออกมาเดินข้างนอกพระอาทิตย์ไม่กล้าฉายแสงถ้าเธอไปซักผ้าที่ริมฝั่งน้ำปลาต้องริมไหวถ้าเธอเดินไปในสวนดอกไม้ดอกไม้ต้องรีบหบกกลีบ ถ้าเติมมองไปยังหมู่นกที่กำลังส่งเสียงร้องกล้องกังวานนกก็ต้องเงียบเสียงความงามซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นดังลมหายใจของชาวโลกบัดนี้ไม่มีค่าพอแม้แต่เงินหนึ่งเหรียญทองท่านสอนตนเองอย่างนี้จนในที่สุดก็สว่างกระจ่างใสเข้าใจว่าโอ้สัจธรรมของชีวิตทุกชีวิตนั้นเกิดขึ้นในเบื้องต้น ดำรงอยู่ชั่วคราวในถ้ำกลางและแตกดับไปใไนที่สุดและนี่เราทําไมโง่เข่ามืดบอดมายึดติดถือมั่นกับรูปร่างสังขารของเธอเราช่างเป็นคนที่น่าสังเวชเสนีย์กระไรคิดได้อย่างนี้ในที่สุดสว่างโพรงบรรลุธรรมตอนมานั้นท่านมาแบบสังกตายอะไรรักถึงที่สุดแต่ตอนกลับไปนั้นท่านยิ้มยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คนบรรลุธรรมแล้วก็เบิก บ, บานใช่ไหม เหมือนออกม้ที่ผลี่บานแล้วนะั้มีความสุขมากพระผู้ดองหันมามองท่านปล่อยให้ยิ้มของท่านไปตลอดทางเลยบัวทุกดอกนั้นถ้ารับแสงไรกของตะวันแล้วยังไงก็ต้องบานบานนั่นแหละคือยิม้มภาษาพหุเรียกว่าฮาเซตู ป, ปาถ้าจิตมันยิม้มท่านยิ้มกลับมาตลอดทางแต่คนที่ยิ้มยิ่งกว่าคือใครคือพระบรมครูที่ทรงประสบความสําเร็จในการสอนอีกครั้งหนึ่ง จากเรื่องนี้จึงเป็นที่มาว่าทุกๆครั้งถ้ามีผู้ถึงแก่กรรมนําไปตั้งที่วัดแต่ไม่รู้ไปตั้งยังไงในเมืองไทยของเราตอนนี้จัดศพซะสวยเลยมีอักเนเซอร์รับจัดศพศพบางศพมีน้ำตกไหลมีซิมโฟนีบรรเลงแล้วเอารูปที่สวยที่สุดมาติดหน้าศพเวลาพระไปร่วมงานศพพิจารณาให้เป็นอสุภยังไงก็ไม่เป็น คือยังสวยอยู่อ่ะแต่ตอนที่นอนอยู่ในโลงนั้นนะ่ะแกงหนักแล้วนะแต่ไปเอารูปตอนสาวๆมาโชว์นี่ก็เป็นเหตุให้เราทำผิดจุดประสงค์ของการจัดงานศพในวัดนะอัตามาโชคดีที่ที่อยู่ทางภาคเหนือทุกวันนี้ทางภาคเหนือยังเผาศพกลางแจ้งตอนเป็นเด็กเวลาไปร่วมงานศพเวลาเขาเผาใครเนี่ยเขาจะเอาศพขึ้นวางบนบ น, บนฟืน่ แล้วราดน้ํามันแล้วจุดจุดบังไฟบังไฟก็จะแล่นเข้าไปจอดที่ถุงน้ํามันถุงน้ํามันก็จะแตกแล้วก็จะเกิดประกายไฟลุกท่วมศพและเผาซึ่งซึ่งหน้าเราเป็นเด็กๆในเรานั่งดูเนี่ยนะคุณผูมนะเราจะเห็นชัดเจนว่าศพถูกเผาแล้วก็แตกเพราะพระเพราะพระหรบางทีเนี่ยพอเผาไปสักพักหนึ่งเนะียศพกระดกลุกขึ้นนั่งเลยตกใจไงทั่วป่าช้าเลยนะ สักพักหนึงพอเส้นเอ็นถูกเผาตัดขาดปั๊บศพนอนลงอีกสักพักหนึ่งเท้าชี้โดขึ้นมาตกใจกลับมาถึงวัดกลับมาถึงบ้านตอนกลางคืนนะภาพติดหูติดตาโอ้ยไปห้องน้ำเพิงไปกันห้าคน <c oughs> นี่และทุกวันนี้เชียงใหม่เชียงรายยังมีอยู่อย่างนี้อยู่นะ อตาตมามานึกตอนนี้ว่าโอ้ชันโชคดีเหลือเกินได้เห็นเขาเผากันซึ่งซึ่งน้าเราจึงได้ปัญญามามาสอนตนเองจนถึงทุกวันนี้ไงว่าโอ้นี่คือความไม่เที่ยงแต่ทุกวันนี้เวลาเราไปงานศพเนี่ยเราปิดบังศัจธรรมกันเหลือเกินเนาะแต่งเสด็บดีทุกอย่างเลยนะทุกอย่างต้องทำให้สมเกียรติยศที่สุดนะบางคนตอนมีชีวิตอยู่มันไม่เคยมีเกียรติเลยนะ ตอนตายอยากมีเกียรตินะเวลานี้มันพระไปรเทศพระธรรมดาก็ไม่เอาจะเอาพระที่มีชื่อที่สุดอตอนเป็นๆไม่เคยมาฟังเทศธรรมมาเลยนะพอตายปุ๊บเนอะก่อนตายสั่งลูกหลานไว้เอาท่านวรเทศขึ้นสุดท้ายคนระับแล้วเราพริกประวัติดูนี่อุ้ยนี่มันจะพ่อนี่แล้วฉันจะเทศยังไงให้มันมีเกียรตนะิอะพระลําบากใจมากนะ รู้ไหมมพระต้องกระอักกระอ่วนหลายครั้งไปเทศในงานศพของคนเลวซึ่งไม่มีเกียรติแต่เจ้าภาพอยากจะทำให้มันมีเกียรติคำถามคือเราไปปิดบังศัจธรรมกันหมดเลยฉะนั้นในงานศพจึงไม่ค่อยมีผู้บรบรลุธรรมบรรลุอย่างดีที่สุดก็แค่ข้าต้มคนละถ้วยนะ <laughs> ขอฝากไว้ตรงนี้เลยใครกลับไปนะช่วยปฏิรูปงานศพให้อัตมาที เผากลางแจ้งนะโชศพให้เห็นๆเลยนะอาตมายินดีไปพิจารณาแต่ตอาตมาเชื่อว่าถ้าเราย้อนกลับไปเหมือนสมัยอดีตจะมีผู้บรรลุธรรมในงานศพเยอะมากฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเราพยายามปกปิดสัจธรรมทั้งๆ ท, ที่สัจธรรมนั้นพร้อมจะเปิดเผยตัวมันเองต่อหนนะ้าเราอย่างถึงที่สุดต่อไปมาดูกุศโลบายที่สี่ เรียนรู้เจนจบจากประสบการณ์ตรงภาษาอังกฤษเรียกว่า learning by doing ทำไมต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้หมายความว่าจะม า, าพับเก่งภาษาอังกฤษนะแต่เพราะว่าวิธีเรียนรู้เจนจบจากประสบการณ์ตรงเป็นหนึ่งในเทคนิคการเรียนการสอนที่บังเอิญมันของพระพุทธเจ้ากับของฝรั่งมันไปตรงกันพอดีนี่ก็สะท้อนอะไร สะท้อนว่าฝรั่งนั้นก็เรียนแบบพระพุทธเจ้าของเราเหมือนกันนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าของเราไปเรียนแบบฝรั่งนะใครที่เรียนมาทางด้านศึกษาศาสตร์ก็จะรู้ว่าหนึ่งในเทคนิคการสอนของครูก็คือว่าการสอนโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเราเรียกว่า child center า น, นั่นเองนะเอาตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า learning by doing คือผู้เรียนมีปัญหาอะไรเนี่ยเราไม่ต้องใส่วิชาการให้เขาหรอก เอาปัญหาของเขาเป็นตัวตั้งแล้วให้เขาลงมือเองเขาจะได้เรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองเช่นเดียวกันกับถ้าตรรมภาพมีน้ำร้อนอยู่แก้วหนึ่งเนี่ยยกมให้ดูเนี่ยถ้าตรรมภาพมานั่งอธิบายว่าน้ำร้อนเนี่ยนะก็คือน้ำที่เมื่อถึงจุดเดือดร้อยองศาเซลเซียสมันก็จะเดือดปุดๆเลยยอมเข้าใจไหม โยมบอกไม่เข้าใจอาดามาเลยจับโยมมาเอามือจุ่มลงไปเป็นยังไงร้อยองศาร้องจากเลยนะนี่เขาเรียกว่า learning by doing จากประสบการณ์ตรงจากใจสู่ใจเช่นนี้พระพุทธองค์ก็ทรงใช้เป็นกุศโลบายชเชนิดิงเหมือนกันครั้งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานแล้วก็ท้อง แต่ว่าท้องของเธอนั้นเป็นการท้องที่มีพ่อรับผิดชอบที่ชัดเจนไม่ต้องตรวจดีเออะไรเนาะ <laughs> ท้องแบบเี้ที่มาที่ไปพอคลอดลูกออกมาปั๊บลูกเสียชีวิตเนื่องจากเป็นท้องแรกของเธอเธอเสียจิตเสียใจมากจนกระทั่งว่าวิกลเฉลต์ไม่ยอมรับว่าลูกนั้นตายโดยเหตุดังนั้นเธอจึงไม่ยอมเผาลูก พอไม่ยอมเผาเธอทําอย่างไรเธออุ้มลูกไปทุกหอนทุกแห่ไงไปหาคลินิกตรงโน้นไปหาคลินิกตรงนี้ไปหาคลินิกคุณหมออัญชาราซึ่งท่านเป็นหมอฟัน <c oughs> <c oughs> ไปถามว่าช่วยชุบชีวิตลูกหนูได้ไหมหมอทุกหมอบอกมือลาหมดคุณอาการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตายตายไม่เผาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าศพ ศพที่ไม่มีจิตวิญญาณอย่างนี้เขาเรียกว่าผีอาการอย่างนี้ต้องเผาแต่ผู้เป็นแม่ไม่ยอมไม่เพียงไม่ยอมนะยังไม่ยอมรับและโกรธทุกคนที่แนะนําให้เผาด้วยเธอวิกฤตเจริญเดินเหินไปทั่วทุกคนทุกแห่งจนกระทั่งไปพบกับบัณฑิตคนหนึ่งบัณฑิตคนนี้สงสารมากพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เธออุ้มลูกน้อยเดินฝ่าฝูงชนนับพันไปขณะนั้นพระพุทธองค์กําลังแสดงธรรมมีคนบอกมือห้ามอ่ะเฮ้ยอย่าให้คนบ้าเข้ามานะยังทรงแสดงธรรมไม่จบนะเอาหลังไม้ด้ยยังไม่จบอ่ะแต่พระพุทธองค์ทรงยกประหารขึ้นคุณปล่อยให้เธอเข้ามาเมื่อเธอเข้ามาแล้วเธอจะได้รับประโยชน์จากการมาครั้งนี้ <c oughs> นี่เป็นการมาครั้งสําคัญ เธอจึงเดินผ่านมาตามลําดับแล้วมาอยู่เบื้องพระพักของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็จะถามว่าว่าไงน้องหญิงมีปัญหาอะไรเธอก็บอกว่าดีฉันได้ข่าวว่าท่านเป็นผู้พิเศษถ้าวิเศษจริงอ่ะชุบชีวิตลูกฉันได้ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าได้เราจะถาคตทําได้แต่ว่าน้องหญิงก่อนที่เราจะชุบชีวิตลูกเธอมันต้องใช้ตัวยานะ เธอช่วยไปห า, มาเมล็ดพันธผักกาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายมาให้เราสักกำมือหนึ่งนะถ้าได้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะถาคตเอามาประกอบเป็นยาให้รับประกันได้เลยว่าชุบเมื่อไรเฟื้นเมื่อ น, นั้นโอ๊ยคนบ้า น, น่ยหายบ้าเลยนะดีอกดีใจอุ้มลูกออกจากวัดไปเลยไปถามบ้านหลังแรกพี่พี่มีมเมล็ดพันุ์ประกาดไหมเอาเยอะไหมคะ เอาสักค ร, ร ม, มือหนึ่งอะค่ะเออพี่กะแล้ ว, แ ล, วแล้วบ้านคุณพี่นี่ยเคยมีคนตายไหมเพิ่งตายเมื่อวานเนี่ยไม่เห็นเดี๋ยนี่ร้องไห้ ย, ยังไม่จบเลย <laughs> <laughs> พอบ้านแรกก็สอบไม่ผ่านคือมเมล็ดพันธุ์พักกาศนั้นหาได้แต่ที่บอกว่าไม่มีคนตายนั้นไม่ได้ เธอจริงไปบ้านที่สองบ้านที่สามบ้านที่สี่บ้านที่ห้าจนไปถึงบ้านที่สิบสิบแปดสิบสองทุกหลังคาเรือนที่เธอไปสอบถามล้วนแล้วจะตอบตรงกรันว่าเมาล็ดพันธุ์ผักกาดจะเอาเป็นกระบุงก็ได้นางหนูแต่จะไม่ให้มีคนตายเลยนะมันไม่ได้หรอกไม่ตายเมื่อวานมันก็ตายเมื่อเดือนที่แล้วไม่ใช่เดือนที่แล้วมันก็ตายปีที่แล้วตายกันหมดเลยในหมู่บ้านเนี่ยป้าก็จะตายเหมือนกันอ ได้ยินคําพูดซ้ําๆซ้ําๆซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆื อ, อ, อในที่สุดโง่แค่ไหนมันก็ต้องตื่นใช่ไหมคุณโยมเหมือนเราดูโทรทัศน์นะคุณโยมเนาะแล้วค่ายเพลงก็เปิดเพลงให้เราฟังเพลงมันไม่เพราะเราเปิดเป็นทุกวันนะมันต้องดังสักวันสินะ่ะใช่ไหมอาศัยความถี่เป็นเครื่องมือในที่สุด อนุภาพของความที่ก็เปิดหูเปิดตาหญิงวิกลเจดีคนนั้นจนเธอเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองว่าแท้ที่จริงคนเขาตายกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ใช่มีแต่ลูกของฉันเท่านั้นที่ตายโอ้ทําไมเราจึงมืดบอดเหลือเกินเพราะเกิดบรรลุทําน้อยๆขึ้นมานะเธอเดินผ่านป่าช้าแห่งหนึ่งโยนโลกทิ้งโยนลูกทิ้งที่ป่าช้า เดินตัวปลิวกลับไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามเอา้ามากใกล้ๆสิว่าไงอะ่ะได้ไหมมาเล็ดพันผกาญอะอดี๋ยถามเลยพระพุทธเจ้าค่ะไม่มีประโยชน์นี่ตอนนี้พูดอย่างนี้เลยนะคนเราพอมีปัญญาแล้วนี่วิธีพูดก็ฉลาดขึ้นเดีย๋ยวถามหาเลยพุทธเจ้าค่ะไม่มีความจําเป็นละเอาทําไ ม, ม่ละโยม ก็ยมได้เรียนรู้แล้วนี่สิคะว่าคนเรามันตายกันได้และลูกโยมนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่มีสิทธิ์ที่จะตายมนุษย์ทุกคนเกิดมาในโลกล้วนต้องตายลูกของโยมเป็นหนึ่งในมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกและดังนั้นลูกโยมต้องตายใช้ตรกษัตริย์ใส่พระพุทธเจ้าเลยนะพระพุทธเจ้าทรงแยมพระสวนเลยทรงยิ้มน้อยๆให้กับ ผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ทรงรับสั่งว่าเป็นเช่นนั้นแหละโยมสังขารนี้เกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรไปในท่ามกลางและก็จะแตกดับไปในที่สุดตรัสเสร็จก็ทรงแย้ำพระส่วนนากิสาโคตมีน้ําตาไหลพรากพรา ก, รากแต่คราวนี้ไม่ใช่น้ําตาแห่งความโศกเศร้าเป็นน้ําตาแห่งธรรมะปีติที่เอือทนล้นออกมาด้วยความปีติสุข ที่ได้มาพบกับพระบรมครูผู้เป็นยอดครูของโลกคุณยมเชื่อไหมว่าหญิงวิกลเจเดตซึ่งสังคมทอดทิ้งกลายเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาและได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในเอตทะคะบรรดาพระอรหันต์หญิงที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องไว้ในฐานะผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุณีทั้งปวงเห็นไห ดังนั้นทุกๆครั้งที่เรามีความทุกข์อย่าเพิ่งไปสรุปว่าชีวิตมันไปต่อไม่ได้ปลายทางแห่งความทุกข์มันอาจเป็นสุขถึงที่สุดเช่นเดียว ก, กันกับชีวิตของนางกิสาโคตมีที่ตมาภาพกล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างบางตอนของการใช้กุศโลบายในการสอนคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งเพราะเหตุที่พระองค์ทรงรู้จักใช้กุศโลบายในการสอนคนเช่นนี้แหละ ทุกๆครั้งที่ส่งสอนจึงประสบความสำเร็จเสมอไปฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณยูมคิดว่าัตรมภาพได้ใช้กุศโลบายไหม <laughs> บางครั้งก็เปลืองเนื้อเปลืองตัวเอาหน้าไปขึ้นปกยัง <laughs> ไงก็ต้องทำม่นเนาะให้ลูกให้หลานมันสนใจธรรมะนะคุณพ่อเนาะ <laughs> นั่นคือกุศโลบายโปรดอย่าไปคิดว่าพระอยากเป็นดารา แล้วครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ในเมืองไทยของเราใช้กุศโลบายไหมใช้หลวงพ่อชาท่านชัยมากหลวงพ่อพุทธทาสท่านชัยมากจะยกตัวอย่างปิดท้ายรายการในวันนี้ครั้งหนึ่งขณะที่กําลังเดินบินธบาตมีพระฝรั่งรูปหนึ่งเดินตามหลวงพ่อชาไปเมื่อคืนฝนตกหนักเช้าวันนี้กิ่งไม้จึงหักลงมาขวางทางบินธบาตหลวงพ่อชาก็อุ้มบาดอยู่ลูกหนึ่ง พระลกูกวัดก็อุ้มบาตอยู่ใบหนึ่งตัวลงบาตรเขาเรียกเป็นลูกเป็นใบนะ่ะ <laughs> <laughs> ไปคนให้ถูกต้องนะ <laughs> พอไปถึงตรงที่ที่ทต้นไม้ขวงอยู่หลวงพ่อชาบอกพระฝรั่งอ่ะไปยกสิพระฝรั่งก็ไปไปอยู่อีกด้านหนึ่งของกิ่งไม้ไม้ท่อนเท้าขานะพระยกขึ้นมาหลวงพ่อชายกอีกข้างอาจารย์ยกข้างลูกศิษย์ยกข้างหนึ่ง หนักอึ้งจนหลวงพ่อชาเห็นพระฝรั่งทำท่าทำหน้าไม่ดีนะหนักไหมลูกหนักครับท่านหนักแล้วคุณถือไว้ทําไม <c oughs> <c oughs> ท่านไม่หลยพวกเลย <c oughs> นี่กุศลบายของหลวงพ่อชาลูกศิษย์เอกของของท่านรุ่นหนึ่งบอกว่าเวลาที่อยู่กับหลวงพ่อชาเราไม่รู้เลยว่ากบเท่าตัวนี้จะแผงฤทธ์อะไร เพราะท่านลึกของท่านมากท่านพุทธทาสพิกุครูบาอาจารย์ของอาตมาภาพก็เช่นเดียวกันใช้กุศโลบายบ่อยมากครั้งหนึ่งมีคนไปขอเลขจากท่านหลวงพ่ออยากจะได้เลขเจ๋งๆสักตัวนึงอ่ะท่านก็บอกอาตมามีหลายตัว <laughs> อยากได้กี่ตัวก็เอาแม่นๆสองตัวก็พอละ ท่านบอกอ่ะไปถามที่สมพานนะแล้วท่านอยู่ไหนเจ้าคะอ๋ออยู่โน่นอะอยู่แถวเก้ า, เาอี้โน่นอะใต้ต้นไม้โน่นอะโยมก็คิดว่าสมพานซึ่งแปลว่าเจ้าอาวาสนั้นเป็นชื่อคนนะแต่แท้ที่จริงสมพานนั้นเป็นชื่อของสุนัขโ <laughs> <laughs> ยมไปถึงก็ด้อมดอมมองมองกลับมามาหาท่านหลวงพ่อเจ้าคะ ไม่เจอคนเลยเจ้าค่ะเจอแต่หมาเจ้าค่ะเลี้ยงลูกอยู่ครหนึ่งนั่นแหละโยมเขาชื่อสมพาน <c oughs> นี่ก็คือกุศโลบายในการสอนคนเหมือนกันดังนั้นเราท่านทั้งหลายในชีวิตนี้เราต้องพบคนมากมายและเราต้องดํารงชีวิตท่ามกลางกิเลสจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องใช้กุศโลบายในการดํารงชีวิต ถ้าเราใช้กุศโลบายให้เป็นเราก็จะนำเอานาวาคือชีวิตนี้ไปจนพบความสงบร่มเย็นและเป็นสุขแต่ถ้าเราใช้กาโลบายคือเล่กลในการดํารงชีวิตขอได้โปรดจงจำมาว่าย่างหนึ่งว่าในเบื้องต้นดูเหมือนเราจะชนะแต่ในท้ายที่สดุดคุณจะแพ้เพราะสัจธรรมของโลกมีอยู่ว่าถึงอย่างไรก็ตามธรรมะย่อมชนะอธรรม โดยเหตุดังนั้นอย่าไปเผลอใช้กโลบายแล้วภูมิใจว่าฉันชนะแต่ทุกๆครั้งที่ดำรงชีวิตแล้วพบกับปัญหาก็ขอให้เรากลับมาใช้กุษโลบายเสมอไปดังนั้นในท้ายที่สุด น, นี้ตามาภาพจึงคิดว่าท่านทั้งหลายคงจะได้กุษโลบายไปปรับประยุกต์ใช้กันตามสมควรขออัญเชิญอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มารวมการเปี่ยนตบะเดชภละวะปัจจัยอำนวยโอชัยให้ทุกท่านทุกคน มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มธงธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอินค่ะ ข, ขอกราบนมัส ก, การนะคะขอบพระคุณพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือท่านววชิระเมธีสำหรับความเมตตาในการแสดงธรรมบรรยายในหัวข้อเรื่องกุศโลบายของพระพุทธเจ้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทั้งเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะ จเจริญใจให้ฉุกคิดหรือเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทุกๆุกอย่างรวนเป็นสิ่งที่เรานำมาประยุกต์ใช้ได้ไม่ต่างจากองค์พระาศาสดาเลยนะคะค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะร่วมกันกราบขอบพระคุณพระอาจารย์วาวชิระเมธีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบ ค่ะและพร้อมกันนี้ขอกราบอาราธนาพระอาจารย์ววชิระเมธีเพื่อนำการเจริญสติแก่ญาติธรรมทุกท่านเป็นเวลาประมาณสิบนาทีค่ะ<ม>ขอกราบอาราธนาค่ะเอาแล้วนะใครที่กำลังลุกนี่ไม่ได้บนใหญ่นะที่บรรยายเมื่อกี้นั้นจิบจิบบนใหญ่รออยู่ตรงนี้นี่เรียกว่ากำลังใช้กุศโลบาย แต่ภาวนานั้นเป็นยอดบุญจริงๆนะอาทุกท่านทุกคนก่อนที่เราจะรับพรควรจะมาเจริญสมาธิภาวนากันเพราะว่าโอกาสเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนทั่วไปโลกนี้มีคนทั้งหกพันล้านคนมีคนกี่คนที่ได้รู้จักพุทธศาสนาและในบรรดาคนที่รู้จักพุทธศาสนามีคนกี่คนที่ทะลุทะลวงจากทานศีลแล้วมาถึงภาวนาเราทั้งหลายมาอยู่ตรงนี้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มานำประพฤติปฏิบัติเป็นโชคอันยิ่งใหญ่ของชีวิต ดังนั้นเราฟังธรรมแล้วในท้าที่สุดเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเราก็ควรจะจบกันที่ภาวนาเจริญพรทุกท่านทุกคนยืดตัวขึ้นมานะประสานมือไว้ตรงหน้าตักหลับตาลงดูกายดูใจพวกเราให้สบายและผ่อนคลายที่สุดยิ้ม น, น้อยให้ตัวเองที่ได้มาทำอะไรที่เป็นสิริมงคลเช่นนี้ เรามานั่งอยู่ท่ามกลางบวลกัลยาณมิตรผู้ทรงศีลทรงธรรมทุกภพทุกชาติขอให้เราได้อยู่ในบรรยากาศเช่นนี้อย่าให้เราทั้งหลายได้เป็นนั่งอยู่กลางทะเลทรายอย่าให้เราทั้งหลายได้เป็นนั่งอยู่ในคุกในตารางอย่าให้เราทั้งหลายได้เป็นนั่งอยู่ท่ามกลางไฟสงครามขอให้เราทั้งหลายได้มานั่งอยู่ r r ท่ามกลางหนังปราราชบัณฑิตท่ามกลางพ่อแม่ครับาอาจารย์ท่ามกลางกัลยาณมิตรผู้ไฟธรรม แต่ขอให้เราทั้งหลายได้มานั่งตามลมหายใจในตอนที่เรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าการตามดูตามรู้ลมหายใจในตอนที่เรายังปกติดีนี่แหละเราจะทําได้ดีที่สุดวันหนึ่งหากเราเป็นหวัดวันหนึ่งหากเราเป็นโรคหอบหืดและวันหนึ่งหากเราเป็นนอนให้ออกซิเจอนอยู่ในโรงพยาบาลคราวนั้นถึงปรารถนาจะตามลมหายใจก็ทําไม่ไหวและถึงทําไหวก็ทําได้ไม่ดี ฉะนั้นนี่คือนาทีทองของชีวิตที่สําคัญที่สุดโอกาสเป็นของเราแล้วเหลือแต่เราจะนำพาตัวเองเข้ามาสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่นั้นได้อย่างไรขอให้ทุกท่านทุกคนกลับไปตามดูตามรู้ลมหายใจในความเงียบสบายสบายหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ตามดูตามรู้ไปแค่สังเกตธรรมดาธรรมดาไม่ต้องกะไม่ต้องเกรง ไม่ต้องคาดหวังตามดูลมหายใจเหมือนเราเดินดูดวงดอกไม้ไม่ต้องเด็ดแค่ชื่นชมอยู่ในบรรยากาศสบายๆเริ่มปฏิบัติ เราแล้วพอสมควรเกิเวลาทุกท่านยืดตัวขึ้นมา <c oughs> เราแผ <c oughs> ่แม่ตาร่วมกันเน็ดหนึ่งเนา ะ, <c oughs> ะประนมมือนะหลับตาลงนึกถึงคนอันเป็นที่รักของเรา <c oughs> <c oughs> พ่อของเราแม่ของเรา ปู่ย่าตายายของเราลูกหลานของเราลูกแก้วเมียขวัญของเราและบรรพบรุษ ท, ที่ล่วงลับดับขันทั้งหลายตลอดจนถึงสันประชีพสันประสั์แพ่จากตรงจุดที่เรานั่งออกไปจนถึงขอบปากจั ก, กรวาลทั่วทั้งสากลลโลกไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้เราทั้งหลายน้อมนึกในใจว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสุขฉันใดขอให้ท่านเหล่านั้นตลอดจนถึงสรรพชีพสรรพสัตว์ทุกชุกทุกๆุชีวิตทุกๆุจิตวินดาณจงมีความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้เปิดหูเปิดตาได้สว่างสวัยเพราะแสงแห่งพระธรรมฉันใดขอให้ท่านทั้งหลายจงสว่างสวัยเพราะแสงแห่งพระธรรมฉันนั้น ข้าพเจ้าได้บ่มบุญบ่มกุศลโดยมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นตัวนําชั้นใดขอให้เราทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงได้พบกับเหตุปัจจัยที่จะได้คนพบมวกลกัลยาณมิตรที่มาเป็นเข็มทิศชีวิตเหมือนกับที่ข้พาพเจ้าทั้งหลายได้พบแล้วฉันนั้นและขอให้สรรพสัตว์ษษ ท, ทั้งหลายที่มีทุกจงพ้นจากทุก์ ที่มีสุขอยู่แล้วจงสุขยิ่งขึ้นไปและผลสุดท้ายก็จงขอให้สิ่งที่เราทั้งหลายได้ทำมาทั้งหมดในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยให้ได้ดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันชาติเป็นต้นไปทุกพพทุกชาติหากกิเลสอนุสัยังไม่หมดสิ้นแม้นเมียนให้เวียนเกิดเวียนตาย ก็ขอให้ได้มาพบพระพุทธศาสนาให้ได้เกิดในตระกูลที่พ่อแม่ทรงศีลทรงธรรมได้ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางนักปราชญ์ราชบัณฑิตได้เรียนรู้สัจธรรมคำสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าจะล่วงเข้าสู่ภาวะพระนิพพานเทิด